ถ้าว่านั้นว่าให้ตัดคอได้ที่คนี้มีคคัที่เชด if you know t h t h i n g นะ if you know t h t h i n g about this technique you can cut it because he, he proved it and l i g h t before and showed it nowadays in Thailand e v e r y w h e e this way นะ in the movement meditation move the hand like this everywhere w see because we can prove by itself when you practice t o day or seven day only you can uh, prove it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 อ๋อไม่เราถูกเดี๋ยวเขาจะขายคนอย่าลดเกินไป <c oughs> <c oughs> เอาว่าเอาว่เาเอาแค่นี้ก็การันตีพอแล้วเนาะอันนี้ค่อยเชิญผิ e โอเคที่คุณหมอบอกว่าปกติเวนาเข้ามาเพราะว่าเราทอายุทััเกิดเวนาถามว่า